ภวหมวดว่าด้วยอุปมาด้วยดอกไม้หนึ่งนาทีสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำไหลลงจากภูเขาพัดหญ้าใบไม้และท่อนไม้เป็นต้นไปในภายใต้ไหลไปไกลมีกระแสเชี่ยว ที่ฝั่งทั้งสองของแม่น้ำนั้นถ้าแม้ต้นเรล่าทั้งหลายพึงเกิดต้นเรล่าเหล่านั้นก็จะลู่ไปตามแม่น้ำนั้นถ้าแม้หญ้าคาทั้งหลายพึงเกิดหญ้าคาเหล่านั้นก็จะลู่ไปตามแม่น้ำนั้นถ้าแม้ญ้ามุงกระต่ายทั้งหลายพึงเกิดยญ้ามุงกระต่ายเหล่านั้นก็จะลู่ไปตามแม่น้ำนั้นถ้าแม้ญ้าคมบางทั้งหลายพึงเกิด หญ้าคมบางเหล่านั้นก็จะลู่ไปตามแม่น้ำนั้นถ้าต้นไม้ทั้งหลายพึ่งเกิดต้นไม้เหล่านั้นก็จะลู่ไปตามแม่น้ำนั้นบุรุษถูกกระแสน้ำพัดไปอยู่ถ้าพึ่งจับต้นเหล่าต้นเหล่าก็จะหลุดไปเขาพึ่งถึงความพินาศเพราะต้นเหล่านั้นหลุดไปถ้าพึ่งจับหญ้าคาหญ้ามุงกระต่ายหญ้าคมบางหรือต้นไม้หญ้าคาเป็นต้นเหล่านั้นก็พึงหลุดไป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 พิจารณาเห็นอัตราว่ามีรูปพิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูปรูปของเขานั้นย่อยยับไปเขาก็ถึงความพินาศเพราะรูปนั้นย่อยยับไปพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารพิจารณาเห็นวิญญาณด้วยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตราว่ามีวิญญาณพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณวิญญาณของเขานั้นย่อยยับไปเขาก็ถึงความพินาศเพราะวิญญาณนั้นย่อยยับไปภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้และถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนาทีสูตรที่หนึ่งจบ 2% ปุกพสูตว่าด้วยอุปมาด้วยดอกไม้เริ่มเกิดขึ้นที่ครูสาวาถีณนะที่นั้นแลละถึงภิกษุทั้งหลายเราไม่ขัดแย้งกับโลกแต่โลกขัดแย้งกับเราผู้กล่าวเป็นธรรมไม่ขัดแย้งกับใครๆในโลกสิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่าไม่มีแม้เราก็กล่าวสิ่งนั้นว่าไม่มี สิ่งใดที่บันดิตในโลกสมมุติว่ามีแม้เราก็กล่าวสิ่งนั้นว่ามีก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งที่บันดิตในโลกสมมุติว่าไม่มีเราก็กล่าวว่าไม่มีคือรูปที่เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรที่บันดิตในโลกสมมุติว่าไม่มีแม้เราก็กล่าวรูปนั้นว่าไม่มีเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณที่เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรที่บันดิตในโลกสมมุติว่าไม่มีแม้เราก็กล่าววิญญาณนั้นว่าไม่มีนี้แลชื่อว่าสิ่งที่บันดิตในโลกสมมุติว่าไม่มีแม้เราก็กล่าวว่าไม่มีอะไรเล่าชื่อว่าสิ่งที่บันดิตในโลกสมมุติว่ามีเราก็กล่าวว่ามีคือรูปที่ไม่เที่ยงเป็นทุกผันแปร ที่บันดิตในโลกสมมุติว่ามีแม้เราก็กล่าวรูปนั้นว่ามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ผันแปร ى, ที่บันดิตในโลกสมมุติว่ามีแม้เราก็กล่าววิญญาณนั้นว่ามีนี้แหลชื่อว่าสิ่งที่บันดิตในโลกสมมติว่ามีแม้เราก็กล่าวว่ามีโลกธรรมมีอยู่ในโลก ตถาคตตรัสรู้รู้แจ้งโลกธรรมนั้นแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายก็อะไรเล่าชื่อว่าโลกธรรมในโลกที่ตถาคตตรัสรู้รู้แจ้งแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายคือรูปจัดเป็นโลกธรรมในโลกที่ตถาคตตรัสรู้ ละถึงทำให้ง่ายบุคคลใดเมื่อตถาคตบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายอยู่อย่างนี้ยังไม่รู้ไม่เห็นเราจะทำอะไรกับบุคคลผู้โง่เขลาเป็นปุถุชนคนบอดไม่มีดวงตาไม่รู้ไม่เห็นนั้นได้เวทนาสัญญาสังขาร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 ไม่มีดวงตาไม่รู้ไม่เห็นนั้นได้ภิกษุทั้งหลายดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญทริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำโผล่พ้นน้ำแล้วตั้งอยู่แต่ไม่ติดน้ำแม้ฉันใดตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดในโลกเจริญในโลกครอบเมือมโลกอยู่แต่ไม่ติดโลก อุปมสูตรที่สองจบ 3. เพนะปินทูปะมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยกลุ่มฟองน้ำสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณฝั่งแม่น้ำคงคา เขตเมืองอายุชอาณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้าคงคานี้พึงพัดฟองน้ากลุ่มใหญ่มาบุรุษผู้มีตาดีก็จะพึงเห็นเพ่งพิจารณาฟองน้ากลุ่มใหญ่นั้นโดยแยกคลายได้เมื่อเขาเห็นเพ่งพิจารณาฟองน้ากลุ่มใหญ่นั้นโดยแยกคาย ฟองน้ำก็จะพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลยสาระในฟองน้ำจะมีได้อย่างไรแม้ชันใดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ชันนั้นเหมือนกันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันละถึงไกลหรือใกล้ก็ตามภิกษุเห็นเพ่งพิจารณารูปนั้นโดยแยบคายเมื่อเธอเห็นเพ่งพิจารณารูปนั้นโดยแยบคาย รูปก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมีได้เลยสาระในรูปจะมีได้อย่างไรเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกในสารรดูฟองน้ำเกิดขึ้นและดับไปบนผิวน้ำ บุรุษผู้มีตาดีก็พึงเห็นเพ่งพิจารณาฟองน้ํานั้นโดยแยบคายได้เมื่อเขาเห็นเพ่งพิจารณาฟองน้ํานั้นโดยแยบคายฟองน้ําก็จะพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้เลยสาระในฟองน้ํานั้นจะมีได้อย่างไรแม้ฉันใดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน และถึงไกลหรือใกล้ก็ตามภิกษุเห็นเพ่งพิจารณาเวทนานั้นโดยแยบคายเมื่อเธอเห็นเพ่งพิจารณาเวทนานั้นโดยแยบคายเวทนาก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลยสาระในเวทนาจะมีได้อย่างไร เดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนยังอยู่พยับแดดระยิบระยับในเวลาเที่ยงบุรุษผู้มีตาดีก็จะพึงเห็นเพ่งพิจารณาพยับแดดนั้นโดยแยบคายได้เมื่อเขาเห็นเพ่งพิจารณาพยับแดดนั้นโดยแยบคายพยับแดดก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าสาระในพยับแดดจะมีได้อย่างไรแม้ฉันใด สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเาสาะแสวงหาแก่นไม้ถือขวานที่คมเข้าไปสู่ป่าเขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ตรงกำลังรุ่น ไม่มีแก่นในป่านั้นจึงตัดโคนตัดปลายแล้วปอกกาบออกเขาปอกกาบออกแล้วไม่ได้แม้กระพี้ในต้นกล้วยนั้นจะได้แก่นแต่ที่ไหนเล่าบุรุษผู้มีตาดีก็จะเห็นเพ่งพิจารณาต้นกล้วยนั้นโดยแยบคายได้เมื่อเขาเห็นเพ่งพิจารณาต้นกล้วยนั้นโดยแยบคายต้นกล้วยก็จะพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่า หากแกนมิได้เลยแกนในต้นกล้วยจะมีได้อย่างไรแม้ฉันใดสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันและถึงไกลหรือใกล้ก็ตามภิกษุเห็นเพ่งพิจารณาสังขาร น, นั้นโดยแยกคายเมื่อเธอเห็นเพ่งพิจารณาสังขารนั้นโดยแยกคายสังขารก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่า หาสาระไม่ได้เลยสาระในสังขารทั้งหลายจะมีได้อย่างไรนักมายากลหรือลูกมือนักมายากลแสดงมายากลที่ทางใหญ่สีแพร่งบุรุษผู้มีตาดีก็จะพึงเห็นเพ่ง พิจารณามายากล น, นั้นโดยแยกคายได้เมื่อเขาเห็นเพ่งพิจารณามายากล น, นั้นโดยแยกคายมายากลก็จะพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลยสาระในมายากลจะมีได้อย่างไรแม้ฉันใดวิญญาณยังใดอย่างหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันและถึงไกลหรือใกล้ก็ตาม ภิกษุเห็นเพ่งพิจารณาวิญญาณ น, นั้นโดยแยบคายเมื่อเธอเห็นเพ่งพิจารณาวิญญาณ น, นั้นโดยแยบคายวิญญาณก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลยสาระในวิญญาณจะมีได้อย่างไร ทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดบเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในรูปย่อมเบื่อนายแม้ในเวทนาแมในสัญญาแมในสังขารย่อมเบื่อนายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนดเพราะคลายกำหนดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าละถึง ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณะพาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วว่ารูปอุปมาด้วยกลุ่มฟองน้ําเวทนาอุปมาด้วยฟองน้ําสัญญาอุปมาด้วยพยับแดด สังขารอุปมาด้วยต้นกล้วยและวิญญาณอุปมาด้วยมายากลภิกษุเพ่งพิจารณาเห็นขันห้านั้นโดยแยบคายด้วยประการใดใดขันหานั้นก็ปรากฏเป็นของว่างเปล่าด้วยประการนั้นๆการละธรรมสามประการซึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีปัญญาดุดแผ่นดินทรงปรารรกายนี้แสดงไว้แล้วท่านทั้งหลายจงดูรูปที่บุคคลทิ้งแล้ว เมื่อใดอายุไออุ่นและวิญญาณและกายนี้เมื่อนั้นกายนี้ก็ถูกทอดทิ้งนอนเป็นเหยื่อของสัตว์อื่นปราศจากเจตนาความสืบต่อเป็นเช่นนี้นี้เป็นมายากลสำหรับหลอกลวงคนโง่ขันห้าเปรียบเหมือนเพชฌฆาตเราบอกแล้วสาระในขันห้านี้ไม่มีภิกษุผู้ปรารบความเพียมีสติมีสัมปชัญญะ พึงพิจารณาขันทั้งหลายอย่างนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนภิกษุเมื่อปรารถนาบทอันไม่จุติพึงละสังโยชน์ทั้งปวงทำที่พึงแก่ตนประพฤติดุดบุคคลถูกไฟไหม้ศีรษะฉะนั้นเพนะปินทูปะมะสูที่สามจบ โคมยะปินทสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยก้อนโคไม้เรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวทีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่จากเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นมีอยู่หรือ เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่จากเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นมีอยู่หรือสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งละถึงสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่จากเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นมีอยู่หรือวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่จากเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปร ที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นมีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นไม่มีเลยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่จเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทน ไม่ผันแปรที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นไม่มีเลยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหยิบก้อนโคไม่โมลโคเล็กๆขึ้นมาแล้วตรัสว่าภิกษุการได้อัตภาพแม้ประมาณเท่านี้ที่จากเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นไม่มีถ้าแม้การได้อัตภาพประมาณเท่านี้จากเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทน ไม่ผันแปรแล้วไซ้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบนี้ก็จะไม่พึงปรากฏแต่เพราะการได้อัตภาพแม้ประมาณเท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรไม่มีฉะนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบจึงปรากฏภิกษุเรื่องเคยมีมาแล้วเราได้เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมรราพิเศษ มีเมือง8 4 0 0 0พันเมืองซึ่งมีกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองหลวงมีปราสาท 84% ดหมพันองค์ซึ่งมีธรรมประสาทเป็นปราสาทหลวงมีเรือนยอด8 4ด0 0พันหลังซึ่งมีเรือนยอดมหาพยุหะเป็นเรือนยอดหลวงมีบรัรลังแปด4 0 0 0พบันลังทำด้วยงาทำด้วยแกนจันแดงประดับด้วยทองและเงินลา ด, ด้วยผ้าโกเชา ล่าด้วยผ้ากำพลขาวลาดด้วยเครื่องล่าทำด้วยขนแกะมีเครื่องลาาอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเพดานสีแดงมีหมอนสีแดงทั้งสองข้างมีช้างต้นแปดหมสี่พันช้างซึ่งมีเครื่องประดับทำด้วยทองมีธงทำด้วยทองคลุมด้วยขายทองมีพญาช้างอุโบโสถเป็นหัวหน้ามีม้าต้นแปดหมสี่พันม้าซึ่งมีเครื่องประดับทำด้วยทอง คลุมด้วยข่ายทองมีม้าเวลาหกอัศวราชเป็นหัวหน้ามีรถทรง 84,000 นสี่พันคันมีเครื่องประดับทำด้วยทองมีธงทาด้วยทองคลุมด้วยข่ายทองมีเวชยันตราชรถเป็นประธานมีแก้ว8ปด0มสี่พันดวงมีแก้วมณีเป็นประธานมีพระสนม 84,000 นสี่พันนางมีพระนางสุภัททาเทวีเป็นหัวหน้า มีกษัตริย์8 4 0 0 0พระองค์ตามเสด็จมีขุนพลแก้วเป็นประมุขมีแม่โคโนม8 4 0 0มพันตัวผูกด้วยเชือกปานแขวนกระดิ่งสำริษมีผ้า8 4 0 0 0ันโกรดคือผ้าเปลือกไม้เนื้อละเอียดผ้าไหมเนื้อละเอียดผ้าขนสัตว์เนื้อละเอีย ด, ผ, ด, ยดผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดมีภาชนะทอง8 4 0 0มสี่พันสำรับ ซึ่งชนทั้งหลายใส่อาหารนำมาทั้งในเวลาเย็นและในเวลาเช้าภิกษุก็บรรดาเมือง 8400, มพเมืองนั้นเมืองที่เราครองในสมัยนั้นมีเมืองเดียวเท่านั้นคือกุศาวดีราชธานีบรรดาปราสาทแปดห0ื่นสีนองนั้นปราสาทที่เราครองในสมัยนั้นมีหลังเดียวเท่านั้นคือธรรมประสาทบรรดาเรือนยอด8 000, 4 0 0มืหลังนั้น เรือนยอดที่เราครองในสมัยนั้นมีหลังเดียวเท่านั้นคือเรือนยอดมหาพยูหะบรรดาบรรลังแปดหมื่นสี่พันบรลางนั้นบรรลังที่เรานั่งในสมัยนั้นมีบรรลังเดียวเท่านั้นคือบรรลังที่ทําด้วยงาทําทด้วยแก่นจันท์แดงทําด้วยทองทําด้วยเงินบรรดาช้างต้นแปดหมสี่พันช้างนั้นช้างที่เราทรงในสมัยนั้นมีช้างเดียวเท่านั้นคือ พญาช้างอุโบสถบรรดาม้าต้น 84% ดหมพันม้านั้นม้าที่เราทรงในสมัยนั้นมีม้าเดียวเท่านั้นคือม้าวลาหกอศวราชบรรดาราชรถ 84% ดหมพันคันนั้นราชรถที่เราทรงในสมัยนั้นมีคันเดียวเท่านั้นคือเวยชยันตะราชรถบรรดาพระสนม 84% ดหมพันนางนั้นพระสนมที่เรายกย่องในสมัยนั้น มีนางเดียวเท่านั้นคือนางคัติยานีหรือนางเวลามิกาบรรดาผ้า 84% ดหมพันโกรดนั้นผ้าที่เราทรงในสมัยนั้นมีคู่เดียวเท่านั้นคือผ้าเปลือกไม้เนื้อละเอียดผ้าไหมเนื้อละเอียดผ้าขนสัตว์เนื้อละเอียดหรือผ้าฝ้ายเนื้อละเอีย ด, รยดบรรดาภาชนะทอง 84% ดหมนสี่พรับนั้นภาชนะทองซึ่งใส่เข้าสุก ที่หงจะเข้าสารหนึ่งทนานเป็นอย่างมากและแกงกับอันพอเหมาะแก่ข้าวนั้นที่เราบริโภคมีสำรับเดียวเท่านั้นภิกษุสังขารทั้งปวงนั้นล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วด้วยประการดังนี้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่น่าเบาใจอย่างนี้ ก็สังขารทั้งปวงมีลักษณะที่ไม่เที่ยงอย่างนี้ควรทีเดียวที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดพ้นไปจากสังขารทั้งปวงโพมยะปินทสูตรที่สจบ นักสิขาสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยฝุ่นที่ปลายเล็บเรื่องเกิดขึ้นที่โครงสาวถีภิกษุนั้นนั่งหน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปร ى, ที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นมีอยู่หรือ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 เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นไม่มีเลยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงช้อนฝุ่นนิดหน่อยด้วยปลายพระนคขาแล้วตรัสกับภิกษุนั้นว่าภิกษุรูปแม้ประมาณเท่านี้ที่จะกเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นไม่มีถ้ารูปแม้ประมาณเท่านี้จากเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรแล้ว การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบนี้ก็จะไม่พืงปรากฏแต่เพราะรูปแม้ประมาณเท่านี้ที่จากเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรไม่มีฉะนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบจึงปรากฏเวทนาแม้ประมาณเท่านี้ที่จากเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นไม่มี ถ้าเวทนาแม้ประมาณเท่านี้จากเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรแล้วการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้ก็จะไม่พึงปรากฏแต่เพราะเวทนาแม้ประมาณเท่านี้ที่จากเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปร ى, ไม่มีฉะนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบจึงปรากฏสัญญาแม้ประมาณเท่านี้ ละถึงสังขารแม้ประมาณเท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นไม่มีถ้าสังขารแม้ประมาณเท่านี้จากเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรแล้วการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบนี้ก็จะไม่พึงปรากฏแต่เพราะสังขารแม้ประมาณเท่านี้ที่จกเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทน ไม่ผันแปรไม่มีฉะนั้นการอยู่ประพฤติ พ, พรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบจึงปรากฏวิญญาณแม้ประมาณเท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นไม่มีถ้าวิญญาณแม้ประมาณเท่านี้จากเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรแล้วการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบนี้ก็จะไม่พึงปรากฏ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 ละถึงเพราะเหตุนั้นแหละอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนะะักสิกขาสูตรที่หจบ สุทิกะสูตรว่าด้วยขันลุนลวนเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุนั้นนั่งหน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรเที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นมีอยู่หรือเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่จากเที่ยงแท้ย่งยืนคงทนไม่ผันแปรที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นมีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่จกเที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นไม่มีเลยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่จักที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรที่ยงเสมออยู่อย่างนั้นไม่มีเลยสุติกะสูตรที่หจบ คัดทุละพัทสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยสุนัขถูกล่ามเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสงสารการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีเบื้องต้นเบื้องปลายที่ใครๆรู้ไม่ได้เบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้น มีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมหาสมุทรยังมีเวลาเหือดแห้งไปมีอยู่ไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปอยู่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้คุ้นเขาชินเนรุยังมีเวลาถูกไฟเผาพินาศไปมีอยู่ไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้กล่าวว่า สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกัน้นมีตัญหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปอยู่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แผ่นดินใหญ่ยังมีเวลาถูกไฟเผาพินาศไปมีอยู่ไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกัน้นมีตัญหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปอยู่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ สุนักที่เขาผูกไว้ด้วยเชือกล่ามไว้ที่หลักหรือเสาที่แข็งแรงวิ่งวนเวียนหลักหรือเสานั้นเองแม้ฉันใดปุตุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของสัตปรุษพิจารณาเห็นรูปด้วยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นเวทนาด้วยความเป็นอัตตาสัญญาพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตา พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณปุตุชนนั้นแล่นวนเวียนอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารแล่นวนเวียนอยู่กับวิญญาณเมื่อเขาแล่นวนเวียนอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารเมื่อแล่นวนเวียนอยู่กับวิญญาณ เรากล่าวว่าไม่พ้นจากรูปไม่พ้นจากเวทนาไม่พ้นจากสัญญาไม่พ้นจากสังขารไม่พ้นจากวิญญาณไม่พ้นจากชาติชาามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตและชื่อว่าไม่พ้นจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับได้เห็นพระอริย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 ไม่แล่นวนเวียนอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่แล่นวนเวียนอยู่กับวิญญาณเมื่อเธอไม่แล่นวนเวียนอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่แล่นวนเวียนอยู่กับวิญญาณย่อมพ้นจากรูปย่อมพ้นจากเวทนาย่อมพ้นจากสัญญาย่อมพ้นจากสังขารย่อมพ้นจากวิญญาณเรากล่าวว่าย่อมพ้นจากชาต ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุบายาตและย่อมพ้นจากทุกขคาทูละพัทสูตรที่เจ็บแปด ทุตคัตทูละพัธสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยสุนักถูกล่ามสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรงสาวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นเบื้องปลายที่ใครๆ ร, รู้ไม่ได้เบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไป สุนักที่เขาผูกไว้ด้วยเชือกล่ามไว้ที่หลักหรือเสาที่แข็งแรงถ้าแม้สุนัขนั้นเดินก็เดินใกล้หลักหรือเสานั้นเองถ้าแม้สุนักนั้นยืนก็ยืนใกล้หลักหรือเสานั้นเองถ้าแม้สุนัขนั้นหมอบก็หมอบ ใ, ใกล้หลักหรือเสานั้นเองถ้าแม้สุนัขนั้นนอนก็นอนใกล้หลักหรือเสานั้นเองแม้ฉันใดปูุ่ชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกัน พิจารณาเห็นรูปว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราเวทนาสัญญาสังขารพิจารณาเห็นวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราปุทุชนนั้นถ้าแม้เขาเดินก็เดินใกล้อุปทานขันหประการนี้เองถ้าแม้เขายืนก็ยืนใกล้อุปทานขันห้าประการนี้เอง ถ้าแม้เขานั่งก็นั่งใกล้อุปทานขันหประการนี้เองถ้าแม้เขานอนก็นอนใกล้อุปทานขันหประการนี้เองความเศร้าหมองและความผ่องแพ้วแห่งจิตภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั่นแลเธอทั้งหลายควรพิจารณาจิตของตนเนือ ง, เนองว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะโทสะโมหะเป็นเวลานา น, านสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้วภาพจิตรกรรมที่เขาเขียนไว้เธอทั้งหลายเห็นแล้วหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นแล้วพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลาย แม้ภาพจิตรกรรมที่เขาเขียนไว้นั้นจิตรกรก็คิดด้วยจิตนั่นเองจิตนั่นเองวิจิตกว่าภาพจิตรกรรมที่เขาเขียนไว้นั้นเพราะเหตุนั้นแหลเธอทั้งหลายควรพิจารณาจิตของตนเนืองว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะโทสะโมหะเป็นเวลานานสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายบริสุทธ์เพราะจิตผ่องแผ้ว เราไม่พิจารณาเห็นสัตว์อื่นแม้เพียงหมู่เดียวซึ่งวิจิตเหมือนอย่างสัตติระชา น, นี้เลยสัตติระชานแม้เหล่านั้นจิตลระ ก, ร ก, รก็คิดด้วยจิตนั่นเองจิตนั่นเองวิจิตกว่าสัตติระชานแม้เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายควรพิจารณาจิตของตนหนึ่งๆว่าจิตนี้เศร้ามองแล้วด้วยราคะโทสะโมหะเป็นเวลานา น, าน สัตว์ทั้งหลายเศร้ามองเพราะจิตเศร้ามองสัตว์ทั้งหลายบริสุทธ์เพราะจิตผ่องแผ้วภิกษุทั้งหลายช่างย้อมหรือจิตรกรเมื่อมีเครื่องย้อมก็ดีครั่งก็ดีขมิ้นก็ดีสีเขียวก็ดีสีแดงก็ดีพึงเขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบทุกส่วนลงบนแผ่นกระดานฝาหรือแผ่นผ้าที่เกลื่อเกล่าแม้ฉันใด ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อจะให้เกิดก็ให้รูปนั่นเองเกิดเวทนาสัญญาสังขารเมื่อจะให้เกิดก็ให้วิญญาณนั่นเองเกิดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั่นแลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้และถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปทุติยคัตทูลและพัทสูที่8จบ